สวัสดีครับที่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเฟรซูตอนที่สี่ร้อยยี่สิบในวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์นะครับพจนะของพระเจ้าขอยาวนิดหนึ่งอยู่ในพระธรรมยอญบทที่สิบสีข้อที่สิบห้าถึงข้อที่สามสิบเอ็ดโปรดฟังพระชนะของพระเจ้ายอนบทที่สิบสี่ข้อสิบห้าถึงข้อที่สามสิบเอ็ดถ้าท่านนั่งหลายรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามพระบัญญัติของเราเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะทรงประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะและไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่านร<อ>เราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยวเราจะมาหาท่านอีกหน่อย หนึ่งโลกจะไม่เห็นเราแต่ทั้งหลายจะเห็นเราเพราะเราดำรงอยู่ทั้งหลายก็จะดำรงอยู่ด้วยในวันนั้นทั้งหลายจะรู้ว่าเราอยู่ในพระบิดาและท่านอยู่ในเราและเราอยู่ในท่านผู้ใดที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัตินั้นผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเราและผู้ที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและเราจะรักเขา และจะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขายูดาสมิช่อิสคาริโอตทูลพระองค์ว่าพรงเจ้าค่าเหตุใดพระองค์จึงจะสำแดงพระองค์แก่พวกข้าพระองค์แต่ไม่ทรงสำแดงแก่โลกพระองค์ตรัสตอบเขาว่าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาและพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขาผู้ที่ไม่รักเราก็ไม่ประพฤติตามคำของเรา และคำซึ่งท่านได้ยินนี้ไม่ใช่คำของเราแต่เป็นพระวจนะของพระบิดาผู้ส่งใช้เรามาเราได้กล่าวคำเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายเมื่อเราอยู่กับท่านแต่องค์พระผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะส่งใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้วเรามอบสันตุไว้แก่ท่านทั้งหลาย สันที่สุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่าวิตกและอย่ากลัวเลยท่านได้ยินเรากล่าวแก่ท่านเราจะจากไปและจะกลับมาหาท่านถ้าท่านรักเราท่านก็จะชื่นชมยินดีที่เราไปหาพระบิดาเพราะพระบิดาทรงเป็นใหญ่กว่าเราและบัดนี้เราได้บอกท่านทั้งหลายก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเพื่อว่าเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้ว ทั้งหลายจะได้เชื่อแต่นี้ไปเราจะไม่สนานากับทั้งหลายนานเช่นนี้อีกเพราะว่าเจ้าโลกจะมาผู้นั้นไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเหนือเราแต่เราได้กระทาตามที่พระบิดาได้ชมบัญชาเราเพื่อโลกจะได้รู้ว่าเรารักพระบิดาจงลุกขึ้นให้เราทั้งหลายไปกันเถิดพี่น้องครับหัวข้อในเช้าวันนี้ก็คือรักเปรียสู่จริงหรือ ผมอยากจะขอเริ่มต้นด้วยคำถามห้าคำถามนะครับในเช้าวันนี้คำถามแรกก็คือชีวิตของเราโดยรวมนั้นแสดงออกอะไรบ้างที่เรารักพระเยซูอะไรในชีวิตของเราโดยรวมที่แสดงออกว่าเรารักพระเยซูบ้างคำถามแรกครับคำถามที่สองก็คือว่าการกระทําใดของเราที่แสดงว่าเรารักพระเยซูจริงๆงการกระทาใด ของเราที่แสดงว่าเรารักพระเยซูจร evet. ิงๆคาถามข้อ <painted> ที่สามเวลาเราเลือกหรือเวลาเราตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเราทำโดยมีพื้นฐานวางอยู่บนความรักที่มีต่อพระเยซูหรือไม่เวลาที่เราเลือกหรือเราตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราทำและเลือกโดยมีพื้นฐานวางอยู่บนความรักที่เรามีต่อพระเยซูหรือไม่ คำถามข้อที่สี่คนรอบข้างเรานั้นสัมผัสถึงความรักที่เรามีต่อพระเยซูมากน้อยขนาดไหนคนรอบข้างเราสัมผัสถึงความรักที่เรามีต่อพระเยซูมากน้อยขนาดไหนคำถามข้อที่ห้าลองจินตนาการว่าเวลาที่เราตายไปแล้วในงานศพหรือในพิธีไว้อาลัยคนจะกล่าวถึงเราว่าคนนี้นะ เขารักพระเยซูหรือเปล่าเขาจะพูดถึงเราหรือเปล่าเขาจะพูดถึงเราอย่างนั้นว่าเรารักพระเยซูคนเนี้ยรักพระเยซูรักพระเจ้าหรือเปล่าถ้าใช่พี่น้องครับถ้าคําถามนี้ถ้าใช่จงตอบคําถามต่อไปนี้ถ้าเราทุ่มเทกับงานถึงขณะ น, นี้เราจะทุ่มเทกับพระเยซูขนาดไหน ถ้าเรารักพระเยซูถ้าเราซื่อสัตย์ให้เวลากับสิ่งที่เราชอบมากถึงขนาดนี้เราควรจะซื่อสัตย์และให้เวลากับพระเยซูขนาดไหนถ้าเรารักพระเยซูถ้าเราจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลได้ขนาดนี้เราควรจะคืนทัศนางแด่พระเยซูมากขนาดไหน ถ้าเรารักพระเยซูจริงถ้าเรากลัวเสียค่าปรับรักษากฎหมายบ้านเมืองถึงขนาดนี้เราน่าจะเกรงกลัวยำเกรงพระเยซูขนาดไหนถ้าเรารักพระเยซูเพี่อนครับในข้อที่ 15, สิบห้าพระเยซูตรัสว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา และในพระคัมีร์ที่อ่านไปมากมายหลายข้อในวันนี้กล่าวหลายครั้งครับถ้าผู้ใดรักเราถ้าผู้ใดรักเราถ้าผู้ใดรักเราจะต้องดำรงอยู่ในคำของเราอยู่ในพระบัญญัติของเราผู้ใดที่มีบัญญัติของเราประพฤติตามบัญญัติของเราผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเราพี่น้องครับถ้าเราบอกว่าเรารักพระเยซูเรารักพระเยซูจริงๆแล้วเราก็เราต้องเชื่อฟัง ทำตามพระบัญญัติของพระองค์นี่คือหัวใจสำคัญในเช้าวันนี้ถ้าเรารักพระเยซูเราจะต้องมาพึ่งตามบัญญัติของพระเยซูปัญหาของคริสเตียนทุกวันนี้ก็คือว่าเรายัดเยียดความรักให้พระเยซูครับเพราะเรายัดเยียดพฤติกรรมที่เราคิดขึ้นมาเองโดยไม่ถามพระองค์ไม่รู้ความประสงค์ของพระองค์ไม่รู้น้าไทยน้าพระทัยของพระองค์แล้วเหมาเอาว่านี่คือ การกระทําที่แสดงออกว่าฉันรักพระเยซูผมขอรักพระองค์แบบของผมคุณไม่ต้องมายุ่งผมไม่ต้องการรักพระองค์แบบที่พระองค์อยากให้รักก็คือการประพฤติตามบัญญัติของพระองค์พี่น้องครับหากว่าเรารักพระเยซูแบบนี้ไม่เวิร์คครับไม่เวิร์คไม่มีประโยชน์ใดๆเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้ทําตามพระบัญญัติของพระองค์ ไม่ว่าเราจะทํางานหนักขนาดไหนไม่ว่าเราจะซื่อสัตย์ทํางานดีขนาดไหนพี่น้องครับหากเราไม่เชื่อฟังบัญญัติของพระองค์สิ่งที่เราทํานั้นก็สูญเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้แสดงความรักที่มีต่อพระเยซูอย่างแท้จริงครับเรากําลังยัดเยียดความรักให้พระเยซูทั้งทั้งที่พระเยซูไม่ต้องการความรักแบบนี้นั่นคือหลักฐานความรักที่คนคนหนึ่งจะมีต่อพระเยซู ก็ดูว่าเขาประพฤติปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเยซูหรือเปล่าประการที่สองครับเราจะตรวจสอบได้ไงว่าเรารักพระเยซูพี่น้องครับในวิชาสอบสวนวิทยาหรืออาชยาวิทยาเขาเล่ากันว่าตำรวจนั้นหรือนักขีวียนั้นมีเครื่องจับเท็จเครื่องจับเท็จนี้ภาษาฝรั่งเรียกว่าโพลีกราฟนะครับเวลาเขาต่อ มันก็เครื่องจับเท็จอยู่กับร่างกายของอาชญากรทั้งหลายเวลาสอบสวนเครื่องจับเท็จเหล่านี้นะครับมันก็จะแสดงบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นสัญญาณไฟฟ้าออกมามันก็จะบอกได้ว่าคนคนนี้กำลังพูดโกหกพูดเท็จหรือพูดจริงเพื่องครับหากว่าเราตรวจสอบความรักเราจับเอา ตัวของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในเครื่องโพลีกราฟเนี่ยนะครับพี่น้องคิดว่าเรากล้าเข้าไหมถ้าเราบอกว่าเรารักพระเยซูถามว่าเราพูดคุยกับพระเยซูบ่อยแค่ไหนเราฟังพระ อ, องค์นานแค่ไหนเราทูลขอพระเยซูเผื่อคนอื่นบ่อยแค่ไหนเราขอบคุณพระองค์บ่อยแค่ไหนเราคิดถึงพระองค์บ่อยแค่ไหนเรานับพระพรของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเรานั้นบ่อยครั้งแค่ไหน เราคอยฟังพระเยซูมากน้อยแค่ไหนเราถวายชีวิตถวายทรัพย์ของเราให้กับพระองค์มากน้อยแค่ไหนเรารับใช้พระเจ้าเรารับใช้ผู้อื่นมากน้อยแค่ไหนเรามีข้ออ้างมากมายแค่ไหนเมื่อคนขอให้เรารับใช้พระองค์ในคขืศจักรเรารักษาพระบัญญัติของพระองค์เราเชื่อฟังพระองค์มากน้อยแค่ไหนอย่างครับหากว่าเราบอกว่าเรารักพระเยซูต้องตรวจครับ ต้องตรวจสอบจริงๆว่าเรารักพระเยซูจริงๆหรือเปล่าประเด็นสุดท้ายในเช้าวันนี้ก็คือความรักของพระเยซูที่มีต่อเรานั้นใหญ่หลวงนักใหญ่หลวงจนกระทั่งพระเยซูรู้ว่าพระองค์จะไม่ได้อยู่กับสาวกของพระองค์และไม่อยู่กับพวกเราทางกายภาพพระเยซูส่งพระวิญญาณมาอยู่กับเราตลอดไปในข้อที่สิบหกนะครับ เราทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงพี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นสถิตยอยู่กับเราประทับอยู่ในชีวิตของเราตลอดไปไม่ออกครับไม่เคยออกเลยเพราะฉะนั้นอย่าทําให้พระวิญญาณเสียพระไถยนะครับพระองค์ไม่เคยทิ้งเราไปเลยพระองค์สถิต และประทับอยู่ในชีวิตของเราและพระเยซูพระองค์ได้ทรงประทานพระวิญญาณให้กับเราแต่โดยพระวิญญาณนั้นเองเราจะได้เห็นพระเยซูด้วยตาฝ่ายวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์ทําให้เรารู้เรื่องพระเจ้ารู้เรื่องตรีเอกานุภาพพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเราเรื่องพระกัมภีร์ความจริงสัจธรรมในทุกสิ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทําให้เราจําได้เราระลึกถึงคําสอนได้ พี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ความจําเราดีนะครับความจําเรานานความจําในพ่อชนะของพระเจ้าจะเกิดผลและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นสันติสุขของเราในที่สุดพี่น้องครับพระวิญญาณจะทําให้เราเกิดความสุขเพราะว่านั่นคือผลของพระวิญญาณครับสันติสุขความชื่นชมยินดีขอพระเจ้ า, ช, าช่วยเรานะครับในวันนี้น่าจะมีเวลาในการที่เราจะสอบถามตัวเองตรวจสอบตัวเองหาหลักฐานที่ว่า เรารักพระเยซูจริงๆหรือเปล่าอาเมน